ธรรมชาติของมนุษย์เราทุกคนไม่กลัวจระเข้เมื่อเท้าเหยียบยืนบนแผ่นดินแต่ถ้าต้องลงไปแช่อยู่ในน้ำหรือกำลังรอยคออยู่เป็นเรื่องที่จะต้องคิดและในขณะนี้คณะนายจ้างทุกคนก็ขบคิดอยู่ทว่าก็กระจัดข้อวิตกกังวลไปเสียเมื่อตระหนักได้เป็นการเดียวว่าผู้นำทางในครั้งนี้คือระพินภัยวันทุกคนมีหน้าที่ตามเขาอย่างเดียวเท่านั้นการเดินบนเนินเกาะ กลางพุต้องเพิ่มความระมัดระวังกันขึ้นอีกครั้งเพราะไม่ไว้ใจว่าจะเผลอก้าวเหยียบลงไปบนหลังของเจ้ากุมพีที่อาจขึ้นมานอนหมกอยู่บนพื้นรกนั้นเข้าเมื่อใดครั้งหนึ่งชายยานเหนี่ยวกิ่งทวารดิมตลิงตอนหนึ่งพลาดหล่นลงไปบนพื้นที่เห็นใบไม้แห้งปกคลุมอยู่เหมือนพื้นดินธรรมดาแต่ปรากฏว่าพื้นใบไม้ใบหญ้าตอนนั้นแยกยุบตามน้ำหนักตัวเขาออกโดยเร็วล่างของอดีตนายทหารปืนใหญ่จมหายวูบลงไปในพริบตา แล้วก็ทะลึ่งขึ้นมาส่งเสียงร้อยโวยวายด้วยความตกใจและพินกับเชษฐาต้งช่วยกันฉุดแขนหิ้วขึ้นมาเปียกโชกไปหมดทั้งตัวดารินหัวเราะงอหายเมื่อเห็นสีหน้าอาการและเสียงสบทสาบานร่านของชายยันใจหายหมดนึกว่าธรณีสูบเสียแล้วชายยันบ่นโครงหัวสะบัดน้ำออกจากตัวน้าเย็นเชียบตีนไม่ถึงพื้นเลยลึกชะมัดทีแรกนึกว่าอย่างมากก็แค่ข่าวเสียอีกหรือเสียว ผมบอกแล้วยังไงครับเห็นเป็นพื้นธรรมดาอย่าชะล่าใจก้าวลงไปเป็นอันขาดน้ำลึกมันอยู่ข้างล่างพรานใหญ่บอกยิ้มยิ้มดีแค่มันไม่ง่มเอาฉันใจหายหมดตอนที่เห็นเธอจมหายลงไปราวกับถูกอะไรฉุดดาดินพูดพลางหัวเราะบรรยากาศตื่นเต้นตกใจแต่แรกของคณะกลายเป็นความขบขันเชษฐาหัวเราะกึกึมองดูสหายแล้วสั่นีรษกช้าช้าจุกปากก็เดินยังไง เขาผ่านกันไปได้ทุกคนตัวเองดันหล่นลงไปได้ไม่ดูให้ดีเสียก่อนก็ไอเถาวันเจ้ากรรมนี่นะสิคนอื่นเหนียวผ่านมันไปได้ไม่ขาดเสือกมาขาดเอาอีตอนที่ฉันจับตอนที่จมลงไปใต้น้ําใจแป้วเหลือนิดเดียวเท่านั้นกําลังคิดถึงไอชาละวันอยู่ทีเดียวตีนแกว่งไปกระทบอะไรไหวๆอยู่ใต้น้ําด้วยไม่รู้มันหรือเปล่าชายหยันพูดเร็วปือหน้าตาตื่นอยู่เช่นนั้นเหลวไหลอุปทาน ไทเคจริงป่านี้มันก็ขย้ำแกเข้าไปแล้วเชิดาว่าโชคดีเหลือเกินในขณะที่ชายยันพัดหล่นจมลงไปในน้ําไรเฟิลประจํามือของเขาไม่ได้หล่นลงน้ําไปด้วยแต่ผ้าติดอยู่กับพวกหญ้าและวัชพืชที่ขึ้นอยู่รอบๆค้างอยู่เช่นนั้นแง่าสายเป็นคนเอื้อมไปหยิบขึ้นมาส่งให้ครูใหญ่ต่อมาระหว่างที่รุดหน้าตามการนําของรพินต่อไปทุกคนก็ได้ยินเสียงสวบสาบดังมาจากพงชายตะลิงเบื้องหน้าไม่ห่างออกไปนัก เสียงเอาจมูกดุนคุยดินและเสียงกัดกันเองของเจ้าพวกหมูป่าฝูงหนึ่งคเนจากเสียงที่ได้ยินประมาณสัก78ตัวพวกมันคงพากันลงมากินน้ําและขุดห า, มาแมลงรากไม้กินอยู่บริเวณชายปรากตื้ น, นเสียงอ e ิทอาดลั่นไปหมดทุกคนแผ่วฝีเท้าลงอีกค่อยค่ ย, ย่องไปตามเสียงที่มานั้นพวกมันอยู่ในทิศทางเหนือลมพอดีจึงยังไม่กระสากลิ่นของฝ่ามนุษย์ที่ผ่านเข้ามาทุกขณะ แต่แล้วอิดใจนั่นเองเสียงจู่โจมกระทันหันชนิดหนึ่งก็ปรากฏขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนแทรกสำเนียงหากินของเจ้าหมูป่าฝูงนั้นชนิดที่ทำให้คณะเดินทางทุกคนสะดุ้งสุดตัวและยืนตะลึงชะงักอยู่กับที่มันเป็นเสียงดังตุมสนานเหมือนเอาท่อนสูงฟาดลงไปบนโคลนพร้อมกับเสียงหวีดร้องกล้องของหมูป่าเสียงฟาดฟาต่อสู้คลืนโคลมอยู่ในแอ่งน้ำระคนไปกับเสียงขูค่คารามพืดท่ สำเนียงประหลาดซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนจากนั้นก็เป็นเสียงของเจ้าหมูฝูงนั้นซึ่งพากันวิ่งเพ่นป่าสะเทือนระพินออกพุ่งปราดตรงไปยังตำแหน่งที่มาของเสียงนั้นอย่างรวดเร็วทุกคนก็ตามติดหลังเขามาในบัตรนั้นด้วยใจอันเต้นรึก